เพ่งพากันตั้งใจคำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นการส่งใจให้คิดออกนอกกายออกไปนั่นมันไม่ใช่ทาง้นทุกต้องเตือนตนเสมอมันเป็น เหตุให้จิตใจไปเกาะไปคล้องอยู่กับสิ่งที่มันพอ อ, อกพอใจการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทฝึกขนจิตนี้ก็เพื่อเหตุนี้แหละให้เข้าใจ เพื่อมาให้จิตมันเกาะมันคล้องอยู่ในโลกอันนี้ถ้ามันคล้องอยู่ในโลกมันก็ต้องมาเกิดกับโลกอันนี้อีกเกิดมาแล้วก็ต้องมาทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้อีกให้พากันพิจารณาให้เห็นความยินดีพอใจในกรรมคุณทั้งหลายนั้น มันไม่เป็นมันไม่ทำให้คนพ้นทุกไปได้ทำให้ติดอยู่ในทุกแต่เมื่อผู้ใดเห็นว่าตนยังติดอยู่ในกรรมคุณเห็นยังครองเลือนอย่างนี้มันก็ต้องรีกสร้างบุญสร้างกุศลไปเมื่อบุญกุศล มีกำลังมากขึ้นแล้วมันก็ผักดันจิตนี้ให้เห็นทุกข์เห็นโทษภายในสงสารอันนี้ได้ให้ผู้ที่เป็นนักบวชจันนี่ว่ากายมลากออกจากกามคุณมาได้แล้วมาทำตนเป็นคนผู้เดียวแล้วแต่ว่าใจมันยัง เมื่ออนาคามีมรรคอนาคามีผลยังไม่เกิดขึ้นตราบใดบุคคลยังตัดกามมาสังยชน์อันนี้ยังไม่ขาดเลยใจยังผูกพันอยู่ในกามยังมีความยินดีอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆ ดังนั้นอย่าอย่าพึ่งนอนใจถ้าผู้ใดคิดว่าตนยังละกามสังโยชนยังไม่ได้อย่างนี้มันต้องภาคเพียนพยายามไปถ้าเป็นครือหัดก็ต้องหาโอกาสรักษาโอโบสอดสินในเวลามันวันว่างงาน มันก็คงไม่เลือกแต่เฉพาะวันแปดค่ำสิบห้าค่าหรอกวันใดก็ได้ถ้าว่างงานเน้นนะวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ได้ทั้งนั้นแหละพยายามสมาทานสีนโนโสถชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งหรือสองวันก็แล้วแต่จะทำได้ อันนี้เป็นอุบายวิธีถอนตนออกจากกิเลสกรรมต่างๆสำหรับผู้คลองเรือนแต่สำหรับผู้เป็นนักบวชแล้วเนี ว, ว่าทางร่างกายถอนออกมาแล้วยังแต่จิตใจก็ต้องมาฝึ ก, กจิตนี่าะนี่นะพยายามควบคุมจิตตี้ให้มัน ตั้งมั่นอยู่ภายในอย่าให้มันส่งออกไปนอกแล้วมันก็จะไม่เกาะไม่คล้องถึงแม้มันจะยังยินดีอยู่ในภายในใจนี่เมื่อเราเพ่งอยู่ภายในนี่ควบคุมจิตให้กําหนดรู้อยู่ในกายอันนี้เสมอเ ส, สมอไปแล้วก็ ไอ้ความยินดีพอใจแล้วที่มันเกิดขึ้นในจิตมันก็จะค่อยเบาบางลงไปว่าแต่อย่าส่งใจออกไปทางนอกก็แล้วกันอันนี้ละอุบายวิธีถอนตนออกจากกิเลสกรรมวัตถุกรรมต่างๆในโลกให้พากันเข้าใจความจริงนะ ชีวิตของคนแต่ละคนนี่มันก็อยู่ด้วยกรรมคุณเป็นมาด้วยกามคุณนั่นแหละที่ในชาติหนหลังที่ล่วงมาแล้วนานๆ น, นู้นหลายพบหลายชาติมาเป็นสุขเป็นสุขอยู่ด้วยกรรมคุณกับเป็นทุกข์อยู่ด้วยกามคุณมันจะพากจากกามนี้ไปไม่ได้เลยผู้ที่ ยังบำเพ็ญอินทร์บุญบา ร, รมียังไม่แก่กล้ามันต้องอาศัยการมคุณนี่แหละเป็นเพื่อนท่องเที่ยวไปในสงสารจะพึ่งพาการเข้าใจแต่เมื่อผู้มีปัญญามีสติเมื่อได้สัมผัสกับการมคุณนี้แล้วก็ไม่หลงไม่เมาเกินขอบเขต ก็พิจารณาไปพร้อ ม, อมเหมือนอย่างการรับประทานอาหารอย่างนี้แหละถ้าผู้ที่ไม่พิจารณาไปพร้อมแล้วบางทีมันก็ไปหลงกลืนเอาก้างปลาเข้าไปกระดูกสัตว์เข้าไปขวางอยู่ในลำคอ ได้รับความเจ็บปวดทุกขเวทนาบางทีก็รับประทานารับประทานอาหารที่มันแสรงกับโรคในกายเข้าไปโดยไม่ได้พิจารณาเอาแต่ความอยากเป็นประมาณโรคมันก็กำเริบขึ้นได้รับทุกขเวทนาอันนี้ฉันใดก็อย่างนั่นแหละ บุคคลผู้บริโภคกรรมะคุณเมื่อไม่พิจารณาให้พอดีพอดีก็จะต้องได้ประสบความทุกข์ในภายหลังเช่นอย่างบุคคลผู้ที่ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคกรรมะคุณไปประพฤติผิดมิจฉาจารกรรม ทำชู้กับสามีคนอื่นถ้าเป็นผู้หญิงก็ดีหาเป็นผู้ชายก็ไปทำชู้กับภรรยาของคนอื่นเขาเช่นนี้มันก็ได้รับบาปกรรมติดตัวไปนั่นเนี่แล้วก็นอกจากโทษเกิดจากความเป็นเจ้าชู้อย่างว่านี้แล้ว มันก็หลายอย่างมันโลภมันอยากได้เงินทองเข้าของมาบำรุงความสุขในกามเกินขอบเขตก็เป็นเหตุให้ไดไปหลอกลวงช่อโกงจี้ปล้นเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนมมนี้มันก็เกิดจากกิเลสกามความใคร่ใน การมคุณนี่เองแหละเป็นมูลเหตุนะแต่มันเกินขอบเขตไปความใคร่นั่นมันถึงได้ประสบกับบาปกรรมบบนี้นั่นแหละแล้วก็ประกอบด้วยไม่มีปัญญาอีกด้วยคนที่หมกมุ่นอยู่ในการมคุณเกินขอบเขตแล้วมันไม่มีปัญญาที่จะคิดหาเงินหาทอง โดยทางสุจริตได้เลยคนมีปัญญาทั้งหลายถึงเขาบริโภคกรรมคุณเขาก็ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นเขาก็ใช้ปัญญาสอด่องมองหาทางที่จะได้เงินทองเข้าของมาโดยทางที่ชบโดยสินโดยทรมีอยู่ในโลกอันนี้นะแต่ดูมันจะมีปริมาณน้อย กลัวบุคคลผู้ที่ไม่มีปัญญานั่นแหละเรื่องของสติปัญญานี่ให้พึงพากันสนใจอย่าเมินเฉยเมื่อรู้ว่าตนไม่มีสติปัญญาเฉียบแหลมพออย่างนี้แล้วก็พยายามทำความดีเข้าไปอ เนียว่าพยายามทำในสิ่งที่มันจะให้เกิดปัญญานั่นทางที่จะให้เกิดปัญญามันก็ได้แก่การสลับตรับฟังการศึกษาเราเรียนท่องบนจดจำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละสำคัญมากแต่ความรู้ในทางโลกสำหรับผู้ครองเรือน ก็ต้องแสวงหาต้องเรียนต้องรู้ไม่รู้อย่างนี้มันก็ไปประกอบอาชีพอันดีงามไม่ได้เลยความรู้อันประกอบอาชีพอันดีงามอันสุดจริตนั่นมันต้องละเอียดหน่อยเช่นอย่างว่าความรู้ในการทําการค้าการขายมูอนีธนะ ยิ่งสมัยทุกวันนี้มันยิ่งต้องอาศัยความรู้และอิเลอเพราะว่าวิทยาศาสตร์มันเจริญมากทุกวันนี้มันต้องเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการค้าการขายแม้การเป็นช่างหูนี่ก็เหมือนกันนะ ถ้าหากว่าไม่เรียนรู้วิชาการช่างก่อนหรือไม่ไม่ได้ฝึกผลตนมากับผู้เขาเป็นช่างมาก่อนอย่างนี้นี่มันก็จะไปเป็นช่างไม่ได้เลยมันเป็นอยางไงดังนั้นจึงจึงต้องอาศัยการเรียนรู้การฝึกไปพร้อมงานใดๆก็ดีที่มันจะเป็นไปได้นั่นะงานในทางทำ ก็เหมือนกันนะต้องอาศัยการฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าบ่อยๆเมื่อฟังแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติตามคำสอนนั้นเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่สอนให้คนลงมือปฏิบัติกายวาจาใจของตนให้ดีงามไม่ใช่แสดงให้ฟังจำไว้เฉยๆให้ลงมือปฏิบัติ เมื่อพระ อ, องค์แสดงไปว่าสิ่งนี้ไม่ควรทำไม่ควรพูดถ้าขืนทำขืนพูดไปเป็นบาปเป็นโทษเป็นบ่อกเกิดแห่งทุกข์เช่นนี้เราก็พยายามเว้นนะไม่ทำไม่พูดไปในการงานที่ประกอบไปด้วยทุกข์ด้วยโทษนั่นเมื่อทรงสั่งสอนว่าการทำอย่างนี้การพูดเช่นนี้นั้น เป็นทางสุจริตรธรรมไม่เป็นบาปไม่เป็นโทษอย่างนี้กันเมื่อได้ยินได้ฟังได้รู้แล้วก็ฝึกหัดทมลงไปฝึกหัดพูดจาไปให้มันตรงตามคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นก็อย่างนี้ล่ะจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่รักตนของตน ปรารถนาที่จะถอนตนออกจากทุกข์ในสงสารเพราะชีวิตของคนธรรมดาสามานนี่มันมีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ภายในใจ น, น, นี่นะไม่ไม่ใช่จะมีแต่ดีอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่จะมีแต่ชั่วอย่างเดียวมันมีทั้งสองนั่นแหละปนเปนกันอยู่ในนี่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรง แสดงแนวทางหรือว่าอุบายวิธีต่างๆเพื่อให้ผู้ฟังนั้นได้นำมาน้อมเข้ามาสู่จิตใจแล้วก็มาแยกกรรมชั่วออกจากใจเอาแต่กรรมดีไว้ทรงสอนให้รู้จักรลักษณะของกิเลสต่างๆหมู่นี้นะ แล้วก็แสดงถึงโทษพิษภัยของกิเลสนั้นนั้นไว้พร้อมเช่นความโลภอย่างนี่ก็ทรงตรัสไว้ว่าโลภพธรรมานานัปริปันโถความโลภเป็นอันตรายแห่งการประพฤติ ธ, ธรรมอย่างนี้ก็มันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องดี สำหรับผู้ที่มุ่งสแสวงหาความสุจริตจะชำระ จ, จิตแจงตนให้ขาวสะอาดแล้วมันก็ต้องพยายามกำจัดความโลภอันนี้ให้เบาบางออกไปจา ก, ก จ, จิตใจคือหมายความว่าฝึกใจสอนใจของตนให้ยินดีในสมบัติที่ตนหามาได้โดยทางที่ชอบ แม้จะได้มากหรือได้น้อยเท่าไรก็ให้ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นแม้คนอื่นเขาจะมีมากกว่าตนเท่าใดก็ไม่ทะเยอทะายานอยากแก้ได้สมบัติปื่นมาเป็นของตนถ้าคืนไปคิดอย่างนั้นทําอย่างนั้นจิตใจมันก็สงบลงไม่ได้นั่นเพราะมันเป็นทางบาปอกุศล เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอันต ร, รายแห่งการประพฤติ ธ, ธรรมแ่ะความโลภเพราะมันเป็นการส่งใจออกไปนอกนู่นนี่เพ่งเล็งไปในสมบัติของผู้อื่นนู่นอย่างนี้แล้วจะให้ใจมันเป็นสมาธิได้อย่างไรอะ่ะอันความโกรธก็เหมือนกันความโกรธนี่พระองค์เจ้าทรงแสดง อุปมาอุปมาไว้เหมือนกับงูพิษเหมือนอย่างสัตว์ที่มีพิษร้ายเมื่อมันคบกัดเข้าไปแล้วโดยมากก็ไม่ค่อยจะรอดชีวิตเพราะพิษมันแรงกล้าอันนี้ฉันใดความโกรดนี้เมื่อมันขึ้นทุดขีดแล้วโดยมากมันก็ไปทำร้ายผู้ อ, อื่นแหละ สร้างบาปอคุศลให้เกิดขึ้นในตนพระพุทธเจ้าจึางได้ทรงตรัสว่าโกทางคัตวาสุขขังเสติบุคลคลฆ่าความโกรธได้แล้วก็อย่อมอยู่เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขคนที่มีความโกรธจัดนั้นใจมันเล่าร้อนนั่งก็ไม่ เป็นปกติอยู่ได้นอนก็นอนไม่ได้เมื่อถูกความโกโรธมันเผาจิตใจเอาเปาน็นงั้นบัดนี้เมื่อบุคคลใดมากำจัดความโกโรธนี่ให้ละงับไปจากจิตใจได้ละนั่งไหนนอนไหนก็สบายหมดเดินไปยืนอยู่ก็สบายเพราะใจมันเย็นนี่ความโกโรธมันดับลงไปละ ใจมันเยื่เกียนนั่นแหละมันถึงได้สบายจึงมีความสุขได้พระศาสดาก็ทรงสแสดงลักษณะของความโลภความโกรธไว้อย่างนี้นี่ทุกคนมันต้องพิจารณาให้มันเห็นลักษณะแห่งความหลงก็หมายเอาความไม่รู้นั่นเองเนี่ยเป็นลักษณะนะ ไม่ใช่อื่นไกลอะไรพอไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกอะไรผิดก็ไม่รู้อะไรถูกก็ไม่รู้ได้ว่าทําอะไรพูดอะไรก็ทําไปด้วยอํานาจแห่งความหลงความเมาไม่ได้ตรีตองไม่ได้ใคร่ครวนเสียก่อนแล้วจึงค่อยทําค่อยพูดธรรมดาคนหลงเป็นอย่างนั้น ไม่นึกว่ามันจะเป็นบาปเป็นโทษเป็นกรรมเป็นเวรอะไรก็มีการงานบางอย่างทีมทำไปคนหลงเรื่องต่างๆที่พูดไปวันนั้นก็เหมือนกันไม่คิดว่ามันจะเป็นบาปเป็นกรรมหรือไม่คิดว่ามันจะไปสะแสลงหูผู้ฟังอย่างนี้ไม่คิดหละคนหลงคนเมาพูดเลื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นนะอันนี้ต้องระวังบานี้นั่นแหละ อย่าทำทนเป็นคนเมาอย่าไปเมาน้ำลายตัวเองมันไม่ดีลักษณะของความหลงพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้อย่างนี้นะวันนี้ทาอย่างไรจ ะ, จะกำจัดความหลงนี้ออกไปได้ก็ฝึกสติสัมปชัญญะนี่แหละให้มันเ ก, กล้าขึ้นใ น, ในกายในวาจาในใจ ก่อนจะทำอะไรก่อนจะพูดอะไรมันก็ต้องคิดต้องวิจารณ์ให้ทีท่วนก่อนเมื่อเห็นว่าไม่ผิดไม่มีโทษแล้วอย่างนี้ก็จึงค่อยทำจึงค่อยพูดในกิจการงานอ น, นั้นในเรื่องนั้นๆต่อไปอเช่นนี้แล้วก็จะไม่ผิดไม่พลาดการทำการพูดนั้น่ันเป็นอย่างนั้นที่นี่ความไม่รู้ที่ลึกซึ้งเข้าไปก่านั้น ก็ก็ได้แก่ความไม่รู้เท่าทุกนั่นแหละไม่รู้เท่าตัณหาอันเป็นบ่อกเกิดแห่งทุกไม่รู้ความดับทุกไม่รู้ข้อปฏิบัติใหถึงความดับทุกนี่ความไม่รู้ที่ลึกเข้าไปเปน็นงันไม่รู้เท่าทุกเมื่อทุก ครอบงำกายใจเข้ามาแลว้วก็มีแต่ร้องครวนครางร้องห่มร้องให้อยู่นั่นไม่มีสติสมปัจจะเนียะอะไรเลยบางลายก็นอนกลิ้งเกลือกไปมานั่นแสดงว่ายับยั้งใจไม่ได้เลยอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนานั้นไม่ได้นั่นท่านเรียกว่าไม่รู้เท่าทุกตามเป็นจริง ถ้าผู้ใดมีภาวนาอยู่เสมอๆพิจารณาเห็นธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้มันเป็นของไม่เที่ยงแล้วเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันก็ต้องเป็นทุกข์คือต้องทนได้ยากเพราะมันแปรปันมันแ ป, ปรปลนไปอยู่เสมอในระหว่างกายกับจิตกายเมื่อมันไม่ปกติมันก็ ป่วนปั่นกระทบกระทั่งกับดวงจิตนี้อ่ทําให้จิตนี้มีความรู้สึกเผ็ดผิดปกติไปเช่นรู้สึกว่าเจ็บมากกลัวเก่านี่นะปวดมากกลัวเดิมร้อนมากกลัวเดิมหนาวมากกลัวเดิมนี่เรียกว่ามันความรู้สึกมันเกิดขึ้นในดวงจิตเกี่ยวกับ ร่างกายมีวิบัติแปรปวนไปกระทบกระทั่งนะมันเกินขอบเขตไปหมดไปหมดเลยความรู้สึกอันนั้นนะเหตุนั้นมันถึงได้ทุรนทุรายเลยแบบนี้จิตนี้นะพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงบัญญัติว่าทุกขังทุกขังกระขังทุกไว้ในกายในใจแล้วแบนี้ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธราษีศาจทางหลายนั้นภาวนาเพ่งดูอย่างนี้หลให้เห็นเป็นธรรมดาไปเลยวะ น, นี้นะเออธรรมดาของร่างกายสังขาร น, นี่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ทนยากลําบากอยู่อย่างนี้แหละมันเป็นอน้าตาไม่ใช่ทัวตนเราเขาอยู่ใครจะบังคับไม่มันเป็นทุกข์เดือดร้อนก็ไม่ได้ทางที่ดีแล้ว จิตนี่ต้องเข้มแข็งบ่เนี่ต้องทำจิตให้เข้มแข็งต้องฝึกใจนี้ให้เข้มแข็งอดทนอดกั้นต่อทกเวสนาต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายอย่าปล่อยใจให้เลื่อนลอยวุ่นวายไปกับความแปรปรวนของร่างกายนั้นอธิษฐานในใจเสมอว่าร่างกายมันแปรปรวนแต่จิตนี้จกไม่แปรปรวนไปตาม จิตนี้จะตั้งมั่นอยู่ในปัจจุวัลจะทำความรู้เท่าสังขาร น, นามรูปอั น, นี่ตามเป็นจริงอยู่นั่นเมื่อมันเมืม่อมันไม่เที่ยงก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงตามเป็นจริงเมื่อมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลาบากก็กำหนดรู้แจ้งตามเป็นจริงว่ามันทนได้ยากจริงจริงร่างกายทุกส่วนนี้เมื่อมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ ก็ให้รู้ชัดว่ามันบังคับไม่ได้ไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเรามันก็ต้องบังคับได้ถ้าสิ่งใดบังคับไม่ได้แล้วมันไม่ใช่ของเราทั้งนั้นเลยนี่พระศาสด า, าทรงสอนไว้เมื่อไม่ใช่ของเราทําไงอ้าวก็พยายามปรองพยายามวางแหละจะไปถือไว้ทําไมอ่ะไปถือมั่นไว้ทําไมอ่ะก็ปรองลงไปวางลงไป เมื่อมันวางได้จริงจิตมันก็รวมลงนั่นแหละถ้ามันยังวางไม่ได้มันก็รวมลงไม่ได้จิตนี้นะมันก็บุ่นวายอยู่ยนั่นแหละเมื่อเราฝึกหัดปรงวางนี้ไปบ่อยๆแต่ก่อนที่ความตายจะมาถึงนะ่ะมันก็ชำนิชำนานขึ้นแล้ววะนี้นะเมื่อฝึกเข้าไปบ่อย มีโอปนายโกพยายามหมั่นน้อมํำสอนของมุติเจ้ามาสอนใจของตนเสมอเสมออย่างนี้นะนั่นแต่มันก็สงบลงได้จิตใจนั่นนะมันก็มีปัญญาเกิดขึ้นรู้เท่าทุกได้แล้วก็กำหนดละเอุได้เกิดทุกข์คือตัณหาลงได้ เพราะว่าปัญญามันสอดส่องมองเห็นแล้วว่าตัณหาความอยากตัวเดียวนี่แหละมันเป็นเหตุให้จิตใจเป็นทุกข์อยู่เนี่ยตัณหาอยากโลภตัณหาอยากโกรธตัณหาอยากหลงนี่มันมันอยากทั้งนั้นแหะมันจึงโลภมันจึงโกรธมันจึงหลงถ้ามันไม่อยากแล้วมันไม่โลภมันไม่โกรธมันไม่หลง เมื่อบุคคลไม่อยากเป็นคนหลงก็ต้องศึกษาแล้วเรียนเข้าไปแหละต้องแสวงหาความรู้ใส่ตัวโดยการเรียนบ้างโดยการฟังบ้างโดยการภาวนาบ้างนี่้วยการใคร้ควนติต้องเพราะฉะนั้นให้พึงพากันเข้าใจเนี่ยสรุปความลงในธรรมบรรยายวันนี้นะ การที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนให้คนเราฝึกฝนอบรมจิตให้สงบให้เกิดสติปัญญาก็เพื่อที่จะได้ถอนตนออกจากโลกสงสารนนี้เพราะโลกสงสารนนี้มันเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงเต็มไปด้วยทุกข์นได้ยากลําบากการมาอาศัยอยู่ในโลกอันนี้นะให้มันไม่มีทุกข์นั้นมีอยู่ เมื่อเมื่อจิตถอนออกจากโลกคืออัตภาพร่างกายอันนี้ได้แล้วมันก็บรรลุถึงที่ที่ไม่มีทุกข์แหละที่ท่านกล่าวว่าพระนิพพานดังแสดงมา